เราคิดเองไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นช่วยคิดก็เรารักษาโรคนี้ไม่ได้ต้องอาศัยพระเจ้าพระเจ้าจะได้รักษาให้พระเจ้าบอกอย่างไรก็อย่าแข็งอย่ากระด้างอย่ามีทิฏฐิมันะก็โอนตามอ่อนตามท่านท่านให้เสียบสายน้ําเกลือก็เสียบไปเลยแต่ท่านบอกว่าอย่าอย่าถอดสายน้ําเกลือทิ้งนะอย่างเราต้องให้พระธรรมไหลยย่ตลอดไหมยมยมต้มต้องไหลตลอดถอดสายน้ำเกลือออกมาเลยเดี๋ยวอาการกําเริบ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 อาแล้วตอนตอนสอนก็ต้องสังเกตไปด้วยน้ำเกลื อ, อไหลไหมถ้าอย่า ง, ง น, น, นั้นน่ะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดโรคเก่ากําเริบมันจะพูดด้วยความเมามันเนี่ยแล้วเดี๋ยวโทรสาเกิดดีพูดอ่ะจริงไม่จริงเพราะมันต้องอาศัยการงานกับการพูดมันบาปเยอะเหมือนกันนะพูดเนี่ยไหมบาปมันออกมาทางกายทางวาจาและทางใจนี่แหละมันไม่ได้อาศัยช่อง อื่นออกหรอกเอาส่ยช่องนี้แหละกายกรรมจัญีกรรมโนกรรมนี่แหละออกใช่ไหมถ้าพิจารณางนี้จะได้เข้าใจว่าโอ้เนี่ยเราเป็นขนาดนั้นแหละเดินไปพิจารณาของไอ้ฟ้าก็เสียบสายน้ำเกลือไปอย่างเงี้ยแต่แต่บางทีมันลืมลืมจริงๆนะเพราะอะไรเพราะท่านบอกว่า มูอกุศสธรรมที่เกิดจากอสัตถยาธรรมเป็นโรคความเจ็บป่วยความเสียดแทงอย่างจิตเจสิกที่ถูกอกุโสธรรมประกอบด้วยอสัตถยาธรรมนะ่ยนั่งสถิตยอยู่เขาเรียกว่าจิตมันป่วยจิตมันมีโรคถูกโรคคือกิเลสคอยทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาจิตนั้นก็ไม่เชื่อไม่สนใจในทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลทั้งสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาไม่เชื่อเลยจิตไม่มีศรัทธาเป็นธรรมที่ฝึกนะมันฝึกยาก ถ้ามันอย่างนี้เราจะไปฝึกยังไงถ้าในขณะที่เราไม่รักษาโรค ก, ก่อนอย่มะก็นั่นแหละพระธรรมของพระศ า, าสดานั่นแหละคือยาพระบรมศาสดาก็คือหมอเงี้ยนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็เอามาบัญญายทรมเนี่ยามาต้องเสียบสายทั้งเกลือไหม <laughs> ต้องเสียบถ้าตอนไหนถอดออกมามีอาการนย้นนะ่ะเพราะเอามาเนี่ยก็อาการไม่ค่อยดีอย่างเงี้เ <laughs> อามาก็อาการไม่ค่อยดี ออประหลาดตรงนี้เขาต้องเสียบสายน้ำเกลือมาสอนนี่ไหมเอกามาต้องก็ต้องลองําบากกันใช่ไหมเนี่ยจะได้เห็นความพลุงพลังก็ามาว่าอามาก็ต้องเสียบสายน้ำเกลือมาสอนก็คือให้พระธรรมราดรดในใจตลอดถ้าอย่างนั้นอะ่ะผิดพลาดึ้นมาก็นั่งฟังธรรมอยู่ดีๆเดี๋ยวอะไรที่มานากินอีกแล้วจะแค่ไหนวะอะไรไปอะไรเนี้ยอะไรแเนี้ย ที่ามาก็มีคิดในบางครั้งเลยนะถามอยู่ได้แค่ไหนว่าอามานะเกิดอีกแล้วอะไรเงี้ยเนีก็ต้องมาสมมติเนี้ยก็เกิดใช่ไหมต้องระวังไหมต้องระวังเพราะาเราต้องมาเจริญบุญเนี่เรามาเจริญบุญถ้าให้บาปเกิดก็ยุ่งเลยทีนี้ต้องไม่ให้บาปเกิดทีนี้ถ้าหากว่ า, า, าเป็นปาคุณ ญ, ญาติแปลคร่องแค่วไหมมันหายป่วยแล้วแต่นี้ยคนหายป่วยก็เดินเร็วขึ้นไหม เดินรวยขึ้นกินอาหารได้ไรได้เอา้าถ้าใครอยากจะรู้ว่าจิตเราป่วยหรือไม่ป่วยนะเอาจะให้โยมแก้วภาลนาทานกุศลเอ้าพาลนาถ้าจิตไม่ป่วยจะต้องคล่องเลยอใช่มเอาปลาลบทานนะเอาอาคารก็ได้ทิ่ตะวัน <laughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยโลกอาคารเห็นอยู่เลยเนี่ยในยโลอาคารเนี่ยเนี่ยพอทิยาลาย นี่มาเห็นอาคารอย่างนี้และเมื่อวานได้ข่าวไปใช่ไหมยมแก้วอ้าวลองทิไม่ได้ไปเลยอออไม่ได้ไปอ๋อยอมด็อตอรั ด, ดาเนี่ยเอาไม่ได้ไปโอ้โหไม่ถ้ายอมบวัชไม่นั่นเดี๋ยวประธานเขาพิจารณาก่อน ใช่ไหมคือถ้าถ้าคล่องเนี่ยนะแปลว่าจิตไม่ป่วยจิตไม่ค่อยป่วยอันนี้เงจริงนะพอมองปั๊บแต่บางคนอาจจะพูดมาไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมวันนี้คอยช่วจะมาคิดได้ใจอ๋อให้สอบข้อเขียนนี่ก็เยอะนะ จริงจริงน่าทำนะนำลองดูไหมพรุ่งนี้ขอดูหน่อยได้ไหมเนี่ยอ่าก็ใช่สิ<ะ>อยากจะดูจังใช่ไหมลองทำการบ้านหน่อยไหม<ช>ลองเรียนเขียนมาให้มาดูหน่อยว่าเราจะปารบเป็นทานนกุศลอย่างไงเนี่ยเออปารบสีปารบเสียงปารบกลิ่นปารบรสปารบสัมผัสปารบทานามอารมใช่ไหมอันนี้ชื่อว่าให้อะไรเนี่ยไม่ใช่อาคารทาด้านของพระสูตร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 อ่านแล้วามาหูามาจะได้เอาเป็นแบบฉบับเลยเวลาไปอินเดียเนี่ยเอามาจะได้ไปไข้ค น, นพิจารณาเอามาก็อยากได้ต้นแบบในการเจริญทานกุศลใช่ไหมจะได้เป็นแหล่งเป็นเป็นวิธีการน่ยในการน้อมเจริญบุญใช่ไหมน้อมเจริญบุญเพื่อให้บุญตาบุญใจยยเกิดขึ้นเพราะบุญจะเป็นนามธรรมานี่อันนี้คือรูปธรรมสรุปก็คือสีเสียงกลิ่นแล้ว ร, รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำมาลมใช่ไหม ถ้าด้านพสูตรก็คือนั่นแหละนั่นแหละคือนั่นแหละที่อยู่นั่นเองที่อยู่ก็เหมือนกันกันกบพระวินยัยที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคแต่ น, นี้ไปอยู่ในประเภทที่อยู่ไปดังนั้นในยะของพสูตรพระวินยัยแต่ถ้าในยะของอวิธรรมก็แยกเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิน่นเป็นรสเป็นผลผลิตแล้วก็เป็นธ ร, รมมาลมทั้งหลายทีนี้ทานเจตนาเราก็รู้เนี่ย แต่แก่เจตนาที่ประกอบกั บ, กบหมหากุศลจิตุวบาทใช่ไหมทานเจตนาที่เป็นหมากุศลจิตวบาทถ้าใครไปร่วมงานได้แล้วเนี่ยพลานาน่าจะชัดเลยในขณะที่เดินไปกายกรรมกําลังเป็นทานกุศลเนี่ยปนมมือเดินไปเป็นยังไงวจีกรรมในการกล่าวเชิญชวนท่านทั้งหลายอย่าลืมร่วมโมทนาบุญเจตนาในครั้งนี้กัน ทุกคนเป็นเจ้าของในการที่น้อมถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระรัตนตรัยนี่วจีกรรมที่เป็นทานกกศลนั่งใครควรพิจารณาทําบุญเจตนาทั้งหลายต่างๆให้เดินไปเป็นตามลาดับโลภะก็มาเป็นประธานทําลายโลภะเป็นระยะระยะเห็นสมบัติเห็นภาวะสัมปติและภาวะวิภาวะสัมปติปจุปฐานนะปรากฏเกิดขึ้นในใจเลย เห็นความสมบูรณ์แห่งภพชาติและจะได้เป็นปัจจัยเก่การเส้นภพชาติเป็นอาการปรากฏเห็นเใช่ไหมเพราะทำที่ทำที่ทําลายทานกุศลจงทําลายก็คือโลภะทำที่ทานกุศลอนุญาตให้เกิดขึ้นก็คืออโลภะก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นนัเข้านัเข้าก็คือทําลายไหมตัวอโลภะเจตันอโลภะทานก็เริ่มชัดเจนขึ้นใช่ไหมเป็นกุศลที่เด่นชัดขึ้นในกระแสใจน้อมถวายเป็นศรัทธาทานถวายเป็น พุทธบูชาธรรมบูชาสังก บ, บูชาเลยนี่ก็เป็นไปตามลำดับทั้งนี้ก็ต่อสัพ ป, ปริสทานห้าก็ได้ใช่ไหมจากการปลารบอย่างเงี้ยปารบสีปารบกลิน่นเสียงกลินล่นรสสัมผัสทำอารมณ์ไปเสร็จก็เออเป็นสัพ ป, ปริสตานหประการยังไงเป็นศรัทธาทานยังไงเป็น ส, ธาธานนส ก, กัดจะทานยังไงที่เราน้อมเอามาน้อมทีหลังก็เป็นได้นะเป็นอัป ร, ราชเจตนาทานโอ้โหได้เป็นห้าหน้าหหน้าสิบหน้าเลยอ่านแล้ว ชื่นใจเลยดีไมคหน้าทำเพราะเป็นนักบันทึกอยู่แล้วใช่ไหต้องบันทึกให้ดีทำกรรมพวกนี้ไว้เยอะใช่ไหให้นักเรียนทำการบ้านเยอะเดี๋ยวลองดูดีไหมใช่ไหเพราะว่าพัานาแล้วเราก็มาใคร่ควรอ่านเลย เอามาอ่านพอมาไปเสร็จก็มานั่งอ่านดีไหมอ่านของใครเอามาอ่านหนังสือเร็วเดี๋ยวอ่านปุ๊บ ป, ปุ๊ให้ฟังเลยใช่ไหมอย่าลืมลงชื่อเด้ยเด้อเด้อสลับถ้าอย่างเงี้ยต่อไปคิดได้ทุกคนเลยถ้าทะลึกอย่างเงี้ยเพราะเพราะจะต้องไปนั่งตรึกใช่ไหมนั่งตรึกแล้วไข้กวนแล้วก็เขียนในกระดาษเขียนว่าใครเป็นนักเขียนนิสัยเลยนี่ย บางคนจะจะพูดออกมาไม่ค่อยได้นะตรึกได้ใช่ไหมแต่เขียนได้เขียนมีเวลาคิดใช่ไหมเขียนปุ๊บ ป, ป, ปุแล้วก็นั่งนึกเขียอย้แป๊บเดียวก็เสร็จได้ยิงคนคิดเร็วๆได้เลยปั๊บเดียวเสร็จโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีก็เสร็จแล้วใช่ไหมบางคนนะไม่ถึงสิบนาทีสิบหนาทีนี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขียนแป๊บเดียวก็เสร็จเพราะง่ายเนยเขียนบางคนอย่าไปลอกโจทย์ไว้ทั้งหมด พอรู้เดี๋ยวอยู่ที่ไหนเออได้ข่าวสัริาาอสตาน้าอภิารเสร็จเราแล้ ว, ลวได้ข่าวว่าวันนี้รูปประทานนางสัท ธ, ธาท่านนางกันธาและจาภภา่าผู้อุปถตัมาเสร็จแล้วลิกยมไปเสร็จเลยไหวไ้ยามแก้วง่วงอีกแล้วฮะ <c oughs> ไหวเป่าแต่แต่งให้เป็นไปกับกุศลใช่ไหมถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างี้ก็เรียกว่าคือถ้าหากสภาพจิตที่ คล่องแคล่วเนี่ยนะก็ถ้าไม่คล่องแคล่วก็จะหวั่นไหวในกุศลเอางี้เอาจับลิงอะจับลิงโยนลงในน้ำ<ม>เขาเขาเากลัวน้ำไห ม, มกลัวมากนะลิงเนี่ยลิงนี่กลัวน้ำเขาหวั่นไหวมากเขารีบตะลีตะเหลือกร้องเลย<ม>นี่ก็เหมือนกันนะ่นะ ถ้าปาคุณ ญ, ญาตาเนี่ยนะมีกําลังแรงก็เหมือนกับว่าย่อมไม่หวั่นไหวในกุศลธรรมเนี่ยนะเอาเจระเข้ไปลงน้ําเป็นยังไงเ oh. จตน้ําก็ไม่หวั่นไหวน้ำลึกเออเออตัวจระเข้ก็ไม่หวั่นไหวน้ําจะลึกขนาดไหนก็แล้วแต่ฉะนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกันจะคล่องมากจระเข้ลงน้ําเนี่ยก็จะคล่องมากเขาว่ายได้เพลิดเพลินฉะนั้นจิตที่ มีปาคุญยะตาเนี่ยนะจิตเ ย, ยสิกที่เป็นเป็นปาคุญยะเนี่ยก็คล่องมากในกุศลเนี่ยเขาคล่องมากัน้นคนที่ไม่มีปาคุญยะตาเนี่ยจะคล่องบาปมากพูดให้เป็นบาปก็คล่องทำให้เป็นบาปก็คล่องคิดให้เป็นบาปก็คล่องคืนทั้งคืนคิดบาปได้คล่องมาก เ, เราคล่องบุญหรือคล่องบาปคล่องแค่มากนี่เกเรียกจิตจิตป่วย จิตป่วยต้องรักษาอาการหนักอาการหนักจิตหนักอาการกยาปะวัตหนักไหมอาการหนักเนะัโอ้ไม่นิดแล้วไม่นิดเลยไม่นิดเลยตรงนี้ก็คือเพิ่งพยายามนะต้องหาหมอแล้วต้องหาหมอพระเจ้าเป็นหมอนะ ทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าสุดท้ายก็คืออุชุกตาเนี่ยซื่อตรงซื่อตรงในที่นั้นก็คือว่าไม่คดงอไม่คดงอไม่คดงอในที่นั้นคือก ำ, กำจัดความคดงอของจิตเจตสิกได้ตรงนี้ก็คือโดยอธาิฐานที่สภาพธรรมที่ตรงกันข้ามเนี่ยนะอะไรคือความคดงอของจิตมายาสาเถยยะโออวดพวกนี้นะทำให้จิตเจตสิกคดแล้วก็งอ อากุศลขันเป็นไปด้วยความว่าหลอกลวงปิดโทษที่ไม่มีในตนนะนะปิดตนเองมีโทษอยู่ก็ปิดแล้วก็ความคดโกงที่แสดงคุณที่ไม่มีจริงในตนว่าตนมีคุณเช่นศีลไม่มีก็แสดงตนว่ามีศีลสมาธิปัญญาไม่มีก็แสดงว่ามีเช่นทานกุศลไม่มีหรอกแต่ไปบอกโอ้ยเรา ให้ทานมาเยอะให้ทานทั้งจริงทานกุศลไม่มีทานกุศลเป็นตัวเจตนาและตัววัตถุเอาเจตนาเป็นประธานนะแต่วัตถุต้องเกี่ยวข้องด้วยนะไม่ใช่เอาแต่เจตนาแต่ไม่ยอมสล <c oughs> ่าวัตถุว่เราคิดได้แล้วทั้งนั้นสบายแล้ววัตถุเรามีเก็บไว้เก็บไว้ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ถ้าคนที่มีเจตนาทานก็วัตถุก็สลักได้แต่ถ้าคนไม่มีเจตนาทานที่สละวัตถุไม่เป็นกุศลก็ได้เนี่ยนะ เห็นไหมว่าท่านขับเน้นตัวเจตนาตัวประธานในที่นั้นเป็นเจตนาที่เป็นกุศลต้องขับเคลื่อนเจตนาที่เป็นกุศลทําความคล่องแคล่วให้เกิดขึ้นในกุศลให้ได้แล้วก็ซื่อตรงซื่อตรงก็แปลว่าเดินทานในกุศลได้ศีลกุศลก็ได้ภาวนากุศลก็ได้เนี่ยนะฉะนั้นกรณีอย่างนี้ก็จะเป็นทานแล้วก็เป็นมหาทานก็ได้พัฒนาขึ้นสู่ความเป็นมหาทานได้เลยตรงเนี้ยนะ สาเทยะลักษณะมายานั้นเจ้าเลอ่อาตถกถาท่า น, นใช้คําว่าเจ้าเล่มีลักษณะปิดบังโทษที่ตนกระทําแล้วสาเทยะโออวดมีแสดงคุณที่ไม่มีในตนก็ดีหมู่กิเลส ท, ที่เกิดจากมายาและสาเทยะนั้นก็ดีชื่อว่ามายาสาเทยะในพระอภิธรรมก็ดีในวิสุทธิมรรคท่านแสดงอกุศสรขันบางครั้งโลภะเป็นประธานบางครั้งก็มานาเป็นประธานนะเกิดโดยมากท่านว่างั้น ตรงนี้ก็คือว่าจิตสงบเย็นเพราะจิตตาปัสสติเบ า, เ า, ะะาก็เพราะจิตตระหูตาอ่อนโยนเพราะจิตตมูมทุตาควรต่อการงานอันดีก็เพราะจิตตกรรมยาตาคร่องแคล่วชํานาญการงานที่ดีเพราะจิตปาคุญาตาซื่อตรงก็เพราะจิตตูชุกตาเนี่ยนะเพราะเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงแสดงแยกธรรมนั้นออกเป็นคู่ๆเป็นกายปัสสติจิตตาปัสสติเป็นต้นเนี่ยนะท่านจะแยก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 เพราะว่าพระบรมศาสดานั้นมีสัพพันละรังสีออกมาด้วยอำนาจของพยานทั้งหลายที่พระบรมศาสดาทรงใช้สอยอยู่ mm hmm. ก็ผลักดันทําให้พยานของพระบรมศาสดานั้นที่ตั้งอยู่ที่หทาทายวัตถุเนี่ยไหมทหํทาหาทายวัตถุให้ผ่องใสาหาพุทธรูปก็ผ่องใสทั้งมหาปุทะลูกและอุปาทายรูปที่เกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตูเกิดจากอาหารเป็นต้นเหล่านั้นก็ผ่องใส พระรัศมีต่างๆของพระบรมศาสดาผ่องใสด้วยสัพพัญยุตยานด้วยพระคุณอย่างมากมายเช่นนี้ใช <c oughs> ่ไหม พ, พิจารณาอย่างนี้ก็ น, น้อมเราจักนำผ้าผืนนี้ไปถวายสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนนี้นะก็น้อมถือผ้าพนมือเดินไปเป็นต้นอันนี้เป็นกายกรรมที่เป็นเป็นอะไรเป็นอะไรดีกายกรรมเป็นอะไร เดินไปปารบไปด้วยกายกรรมเป็นเป็นทานนกุศลเออเรียกบุคคลอื่นท่านทั้งหลายไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเรามีผ้าสีทองไปหอมพระวรากายของพระศาสดาที่มีสีทองที่เกิดจากพยานที่ผ่องใสใช่ไหมนิวจีตามเป็นมานะเป็นทานนกุศล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 เขามีประเพณีในการที่จะต้องบูชาพ่อใช่ไหมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่เดินปรนนมมือไปคิดถึงวงตระกูลจารีตประเพณีของอริยวงวงของพระอริยะทั้งหลายเราเป็นบริษัทของพระพู้มีพระภาคเจ้าเราศรัทธาพ่อใช่ไหมเพราะเราใช้มรดกของพ่ออยู่ใช่เราเข้าใจแล้วเนี่ยเรามีมรดกของพ่อได้มาทุกวันนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าใช่ไหม เราต้องการจะปรารถนาถ้าเราไม่บูชาพ่อเนี่ยพ่อจะประทานธรรมะมรดกให้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเป็นเราต้องศรัทธาพ่อเชื่อมั่นในพ่อน้อมใจอย่างนี้สิไปเดินไปด้วยวจีกรรมเป็นศีลกุศลแล้วตอนนี้พัฒนาขึ้นเป็นศีลแล้วยมการ น, นาเป็นศีลนี่ยังตอนเนี้เป็นศีลกุศลแล้วนะตอนนี้พิจารณาเดินไปเนี่ยเป็นศีลกุศลแล้ว อ้าวเห็นคนก็ประกาศบอกท่านทั้งหลายวงตระกูลของเราใช่ไหมเชื้อสายของเราเราเป็นบุตรของพระผู้พรภาคเจ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพภาคเจ้าถึงเทศกาลแล้วถึงเวลาแล้วเราท่านทั้งหลายไปบูชาพ่อวัจีกรรมเป็นอะไรเป็นศีลกุศลใช่ไหมไม่ทากายวาจาและใจให้ไม่ทากายวาจาให้เคลื่อนไหวน้อมจิตใจ คิดถึงวงคิดถึงตระกูลเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นจารีตศีล เ, เ, เ, เจตนากระตุ้นภัสสะเวทนาสัญญาเป็นต้นหล่าเนี้ยนะมณสิการทำศรัทธ า, ส, าสติริโอตปาโลพาอโทสะตัตธรมชาตตาให้เกิดความเบ า, เ ก, า, เ, บาเกิดความคล่องแคล่วเกิดความสงบเย็นเกิดความคล่องแคล่วในบุญกุศลทั้งหลายเนาะมาเป็นประเพณีเป็นวงตระกูลของเราให้เป็นไปอยู่ในขณะ น, นั้นเป็นมโนกรรมที่เป็นศีลกุศลโอ้โหนี่ได้แล้วเอาละศีลเนี่ไปแล้วตอนเนี้ย พิจารณาต่อไหมถ้าพิจารณาต่อก็พิจารณาเดินไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยในขณะเดินไปใครควรพิจารณาไปเออรูปขันที่เป็นไปเห่งการกําลังเดินสักการะูชาวนไปอยู่เนี่ยนะเอมันก็แตกดับไปทุกขณะเหมือนกันนะเนี่ยเออรูปขันที่ผ่านมายืนอยู่ตรงนั้นมันก็หายไปแล้วรูปขันรูปกายทั้งหลายมันก็กาลังเคลื่อนไหวเป็นไปมาตามลําดับอย่างเงี้ยมันมีความไม่เที่ยงเสื่อมไปเป็นตามลําดับไหม มันเกิดจากเหตุปจัจจัยไข้ขควรมาตาวลำเดิ่กก่อนเนือเพราะรูปรขันรูปรกายส่วนนี้มันมาจากอาวิชชาตหากรรมในอดีตกรรมมาชรูปเหล่านี้นใช่ไหมมันเป็นผลแม้แต่นามาธรรมทั้งหลายที่เป็นผวังเป็นต้นเวทนาที่ประกอบกับนามาธรรมทั้งหลายที่เป็นไปเหล่านั้นเป็นต้นที่อาศัยอทยัยิวัตถุที่เป็นกรร ม, มชรูปเป็นไปอยู่ใช่ไหมซึ่งเป็นเป็นสมบัติของบุญที่ได้มาเพราะบุญเหล่านี้นกําลังดําเนินไปอยู่ แล้วก็เป็นที่ตั้งของทานกุศลนเจตนาทานเนเจตนาศีลเป็นต้นเป็นไปตามลําดับเหล่าเนี้โอ้มันมาจากอาวิชชาตันหากรรมในดีต่งตางๆเหล่าเนี้ยตอนนี้กําลังเป็นไปอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะมาจากเหตุมาจากปัจจัยมันคือรูปนามนั่นเองเราะนั้นเป็นคือรูปนามเป็นไปไป ต, ตามลําดับ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 ใช่ไหม อ, อ้าวสวดตออีตีปิโสฟักขวารอะระหังสัมมาเป็นต้นไปตามลําดับใช่ไหเพราะพิจารณาเป็นไปตามลําดับใช่ไหมเวทีกรรมที่เปล่งไปต่างๆเหล่านี้มันมาจากจิตเป็นปัจจัยเนาะจิตที่คิดเป็นปัจจัยกับการเปล่งและการกล่าวเนี่ยจิตตชวาโยธาเนี่ะนะ เป็นไปเบ็ดเสร็จก็คือมหาพุทธลูบนี่ยอะไรที่เกิดจากจิตน่ยนะก็ททบกับมหาพุทธลูบที่มีใจคลองเนี่ยนะมีการเสียดสีกันในสายเสียงหลอดเสียงเออมีการเปล่งเสียงออกมาอิติปิโสเป็นต้นได้โอ้เนี่ยเนีเป็นต้นเป็นไปตามลําดับนะอสิ่งต่างๆเหล่าเนี่ยนะก็ต้องมีพวังเป็นต้นเป็นไปมีขันห้าเป็นไปอยู่เกิดจากวิชาตัรกะกรรมเป็นต้นดังกล่าวใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่าเนี่ยมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นใช่ไหมโอ้โหเนี่ยพิจารณาไปในร่างหนเนี่ย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 ภาวนาโกศลสรุปแล้วก็คือทานศีลภาวนาสรุปบนนี้เลยเห็นไมเนี่ยอันนี้เดินอย่างเงี้ยนี่สติปัฏฐาน <c oughs> อา้าวตรงนี้ก็ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยก็สรุปประเด็นได้เลยนี่แหละการที่เราท่านทั้งหลายได้มารละลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่นะเป็นเหตุนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราท่านทั้งหลายที่บอกว่า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 อันนี้เป็นผลผลพระธานาบรมีของพระศาสดาเราท่านทั้งหลายได้อาศัยผลพระธานาบรมีของพระศาสดานี้แหละมาประกอบอาชีวะปริสุทธิ์ทั้งครือทั้งเนรหัสแล้วก็ทั้งเราทั้งขั้งบรรพชิตพระศาสดาก็เลยตรัสไว้ในธรรมทาญาทสูตรเลยบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายตรงนั้นคำคำนั้นน่ะกระทบถึงภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาด้วย เราหวังอนุเคราะห์เธอทั้งหลายแปลว่าอะไรพระศาสดาหวังอนุเคราะห์ทั้งอมิสสะมรดกและธรรมะมรดกแก่เราทั้งหลายบอกว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นอมิสธายาทของเราเลยจงเป็นธรรมทายาทของเราใช่ไหมท่านหวังอนุเคราะห์เราว่าท่านใคร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 นันเป็นผลผลเพราะทานอมีของเราทั้งนั้นแหละเราขายทิ้งมาไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านพันรอบแล้วเธอทั้งหลายอาศัยกินอาศัยดื่มมาอาศัยใช้กันเนี่ยมันเป็นอามิสสมรดกเป็นมรดกที่ไม่สะอาดเจือไปด้วยกิ่นคาวของราคะโทสะโมหะฟุ้งขจรว่างั้นเธอทั้งหลายจงใช้สอยให้พอประมาณตถาคตอนุญาตให้กับถ้าเธออยู่ในฐานะบรญญัติตตถาคตก็อนุญาตอดีเลกาลาโพเห็นไหะ วิหารอาทโยโคปาซาโทฮมียังโคลหาเนี่ยพระาศาสดาอนุญาตด้วยหมดนะที่อยู่อาศัยที่ไปสร้างกันถวายสงอะไรต่างๆนั้นแหละพระาศาสดาอนุญาตไว้ถ้าพระาศาสดาไม่อนุญาตไว้เราก็ไม่มีโอกาสได้ใช้หรอกเป็นพระเป็นต้นเหล่านี้คารวาทั้งหลายก็ได้แผ่นบินผืนนี้แหละที่เป็นผลพระทานวนมีของพระบรมศาสดาแหละได้มากินมาใช้มาดื่มมากินอะไรต่างๆเหล่านี้ย เราในฐานะที่เป็นลูกของพระพุทธมีหภาคเจ้ามีความรักมีความเชื่อมั่นพระบรมศาสดาจริงๆเราก็ต้องบอกเออเราไม่ต้องเอาเราจะไม่ติดข้องอยู่แค่อามิสมรดกที่พระาศาสดาขายทิ้งแล้วเราจะขึ้นสู่นาวาใหญ่และเข้าสู่พิจารณาวิจัยธรรมมรดกเลยใช่ไหมธรรมมรดกก็มาแยกเป็นโลกิยะมรดกใช่ไหมศีล ส, สมาธิปัญญาที่กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ย ที่เป็นไปในชั้นของทานศีลภาวนายังอยู่ในชั้นของโลกิยานะที่พยายามวิจัยเป็นตัวอย่างให้ดูตรงเนี้ยเพื่อจะก้าวสู่โลกุตระมรดกเราต้องดื่มด่ำโลกุตระมรดกให้ได้เราในฐานะที่เป็นลูกของพุทธเจ้าเป็นทายาทนี่เราจะต้องมีสิทธิ์ได้รับมรดกระดับธรรมะมรดกที่เป็นโลกุตระมรดกซิถ้าเราไม่ได้เราก็หมดโอกาสใช่ไหมฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยคือพระพุทธเจ้า ถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าจริงเราจะรู้จากมรดกของพระพุทธเจ้าว่าเราเนี่ยเป็นหนี้เราเป็นหนี้พระพุทธเจ้านั้นะเป็นปปะกาลีชนเราเนี่ยพระองค์เนี่ยทำนะพระองค์เนี่ยได้เป็นผู้ทําอุปการะให้กับเราแล้วเราต้องระลึกให้ได้ถึงจะได้กระตันยูในมงคล น, นั้นถ้าเราระลึกไม่ออก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 ระดับโลกุตระมรดกเมื่อเราได้รับแล้วเราจะได้พ้นจากวัตถุขึ้นไหมตอนนี้เราไม่ปลอดภัยพระาศาสดาห่วงใยเราแบบนี้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็มาสรรเสริญคุณของพระเจ้ากันหน่อยดีไหมลรกลึกเข้นคุณของพระเจ้า